เรานมันต้องต้องกล้าไปเชื่ออารมณ์จริงๆเนะี่ยมันจริงจะได้ผลเนะี่ยต้องฝึกความรู้สึกตัวท่ามกลางอารมณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นก่อนง่วงก็ไม่ใช่หลังง่วงก็ไม่ใช่ แต่กำลังม่วงอยู่เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัวให้ได้มันต้องรู้ตัวนี้ให้ได้รู้ตัวกายไหว้กายไหวกายกระทบนี้ให้ได้ขณะที่มันกำลังง่วงนี่นั่นแหละนี่ผมมันง่วงมาแล้วเราก็ไปกับมันหมดเลยดื้อหมดตาล็อกกายนิ่ง หายไปเลยนมันมันไม่ได้มันมันสอเห็นเฉพาความรู้สึกตัวของเราน่มันไม่เข้มแข็งเลยมันอ่อนแอไม่มีกำลังที่จะระเชิญอารมณ์ได้เลยการไปเชิญอารมณ์กำลังระเชิญอารมณ์ตอนหน้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้กำลังของความรู้สึกตัวมันเข้มแข็งเวลามันมีิ่วงเหมือนกัน ก่อนไม่ม่วงก็ไม่ใช่หลังไม่ม่วงไม่ใช่กำลังไม่ม่วงอยู่เนี่ยแล้วมันรู้สึกตัวอยู่ได้ไหมคือไปลืมอีกอก่อนคิดก็ไม่ใช่หลังคิดก็ไม่ใช่กำลังคิดอยู่เนี่ยแล้วเรารู้สึกอยู่ได้ไหมรู้สึกตัวอยู่ได้ไหมกับการเคลื่อนไหวเนี่ยย่อย อ, อการปฏิบัติทั้งหลายให้มันมาสั้น มันเอาเฉพาะหน้าเนี่ยให้มันเล่นกันตรงต่อหน้าต่อหน้าให้มันรูปแฮรู้ดำรู้แดงไปเลยรูปแฮรู้ชนะแต่ไปต่อหน้าหรือแม้ว่าบางครั้งมันมันได้อารณดีๆเนี่ยเวลามันได้อารมณ์ดีๆเนี่ยมันโล่งมันโปร่งมันสบายเนี่ยมันลืมรู้สึกตัวไปหมดไปอยู่กับความโล่งความโปร่งความสบายไปหมดก็โลงอีก เช่นถ้ามันเันเชเิญอารมณ์ปัจจุบันไม่เป็นนี่เนี่ยนี่แต่ความคิดเั่นั้นการปฏิบัติกันนี่มันจึงไม่ใช่รอเวลามันเอาก็ั่ตอหน้าที่กำลังเกิดขึ้นอย่เนี้อย่างมันปวดมันเมื่อย ก่อนปวดก็ไม่ใช่หลังปวดก็ใช่กําลังปวดอยู่เนี่ยหรือกำลังเมื่อยอยู่เนี่ยอดูซิว่าใจเราเนมันดิ่นไปที่ไหนมันอยู่กับความรู้สึกได้ไหมอยู่กับความรู้สึกตัวได้ไหมมันสนใจกายไหวใจรู้ได้ไหมกายไห้กายกระทบอยู่เคลื่อนไหวที่กายที่เคลื่อนไหวแล้วที่กระทบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันลืมมันทิ้งไปกับ ไปรู้สึกกับความอึดนัขัดเคืองอยากให้หายอยากให้สบายอยากให้โล่งอยากให้ปร่งหรือบางครั้งมันเปลี่ยนขยัไปสู่การเกิดการภาวะโล่งภาวะโปร่งภาวะสบายแล้วก็ถ้ามันทิ้งความรู้สึกตัวอีกมันทิ้งกายไวใ้ใจรู้อีกไปอยู่กับภาวะโล่งโปรงสบายก็ติดอีก่ การแก้ไขการปรับปรุงให้มันโล่งให้มันโปรง่งให้มันสบายยิ่งนันถ้าแก้วันวันใด ว, วันหนึ่งแก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันอึดอัดจนตายมันจะต้องไม่ต้องไปยุ่งกับภาวะพวกนี้ยทั้งภาวะที่ดีเวลาเราทําไปทั้งภาวะสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันดีเนี่ยคำว่าดีในที่เนี้คือความถูกใจเราขนาะ ความเป็นจริงมันไม่มีดีหรอกที่เราชอบใจถูกใจ <c oughs> เราก็จะว่ามันดี <c oughs> ม, มีชอบใจที่ไม่ถูกใจเราก็ว่ามันไม่ดีเนี่ย <c oughs> แต่แต่ความเป็นจริงก็มันมันไม่มีอะไรดีรอ <c oughs> มันดีที่ไหนไม่เห็นมันอยู่กับเราสักที ยิ่งเวลาเราพานาจริงๆปุ๊บมันต้องปรเชิญความจริงอย่าไปก่อเกี่ยงหลบเลี่ยงเอาแต่ความชอบใจของตนเองไม่ได้มันก็ยิ่งทําไปก็ยิ่งสร้างกิเลสให้เจ้าของไปอยู่นัานเนี่ยมันไม่หยุดทำไปแล้วมันขูดกิเลสออกยิ่งปฏิบัติไปยิ่งสร้างกิเลสใส่เจ้าของเรื่อยๆชอบใจอะไรก็จะเอา ไม่ชอบใจแล้วก็จะปฏิเสธไม่ได้ศึกษาเลี่ยทําปให้มันรู้สึกตัวจริงๆจะชอบใจกระชั่ก็อย่าทิ้งหลักไม่ชอบใจก็ะชั่อย่าทิ้งหลักอย่างเงี้ยเช่นการปฏิบัติธรรมมันเป็นการชิงไววชิงพลิบกันในปัจจุบันขณะนี้านั้ จึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดไปในที่เรื่องอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เหลวไหลทั้งนั้นแหละแต่เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยวางจิตวางใจยังไงกับมันวางใจไว้กับความรู้สึกตัวได้ไหมวางเป็นไหมทุกเรื่องที่เราทําก่อนกินข้าวหลังกินข้าวไม่กําลังกินอยู่น่ยมันกินด้วยความลุ่มหลงหรึเปล่า เรกินแล้วไปฝึกตัวนี้ต่อยิ่ฝ่าดใ ไ, ไม้กระต่างก่อนฝ่าหลังฝ่าก็ไม่ใชกําลังกวาอยู่นะน่ะมันรู้ได้ไหมมันรู้กายไหวกายกระทบได้ไหมถ้ามันรู้ได้ความรู้สึกตัวก็อยู่ได้ไม่หลุดไปกับสิ่งกับที่ตัวเองทําก่อนถูสาระหลังถูสาระก็ไม่ใช่กําลังถูอยู่นะ กอนสร้างจังหวะหลังสร้างจังหวะเว่าไงกาลังสร้างจังหวะอยู่นะมันรู้ไหมให้มันรู้อยู่อย่างเนี้ยถ้ามีอารม์รู้สึกตัวอยู่กับเรื่องเหล่านี้ที่กําลังเกิดขึ้นควบคู่กันไปควบคู่กันไปมันเป็นก็เป็นก็มันไปเราก็ทําของเราไปอย่างเนี้ย ใหมันไม่เข้าใจตรงจุดเนี่ยมันไม่เข้าใจตรงจุดตรงจุดเนี่ยยิงปฏิบัติธรรมแล้วมันมันมัวแต่จะเอาข้างหน้าบ้างอดีตบ้างไอ้ที่มันสบายมาแล้วก็จะเอาแล้วก็อยากสบายไปในอนาคตอีกถ้าเลิกเอาแล้วมันสบายทั้งคู่เลย <c oughs> เพราะเอาสบายเมื่อไหร่พราะไม่สบายก็ตามมา สำคัญที่สุดคือตัวชอบใจไว้ชอบใจนี่แหละกับสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหัดง่ายๆก็พอเวลามันเกิดขึ้นหัดง่ายๆเอาให้มันเกิดไม่หมดมันมีจิตตาก็เปิดให้มองไม่เห็นหูก็เปิดให้มันได้ยิน หมู ก, ก, หมม ก, ก็ให้มันดมกลินดิ้นไปมันรู้รถกายก็ให้มันสัมผัสใจก็ให้มันนึคิดเปิดให้หมดให้มันทำงานเข้ามันอย่างอย่างอิสระนั่นแหละถ้าเรารู้สึกอยู่กับตัวนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นการทำงานของมันอย่างอย่างเป็นระบบของมันเองตามีหนะ้าที่เห็นรูป จะเอาอันอื่นเนี่ยไปไปดูรูปไม่ได้เลยจะเอาหูเอาจมูกเอาอินเอากายไม่ได้หูก็เหมือนกันมีห น, น้าที่รับเสียงที่จะเกิดขึ้นแล้วจะเอาตาไปเห็นเสียงก็ไม่ได้ เอาจมูกไปได้ย si ินเสียงก็ไม่ได <c ười> ้เอาลิ du, nh, ú, ้นไปรู้เสียงก็ไม่ได้เอากายไปรู้เสียงก็ไม่ได้แต่ใจเนี่ยมันไปรู้ได้ใจมันก็ไปรู้ทางตาใจไปรู้ทางหูกลิ่งก็เหมือนกันมันทางานกันแล้วทางานผู้จมูกนี่ที่รับกลิ่นจ้าตาไปดูเอาตาไปโดนกลิ่นก็ไม่ได้เอาหูไปโดนกลิ่นก็ไม่ได้ เอาลิ้นไปดมกลิ่นก็ไม่ได้เอากายไปดมกลิ่นก็ไม่ได้แต่เอาใจเนียก็มารู้กลิ่นมันได้เออนี่ดูกลิ่นกลิ่นเป็นแบบนี้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นลิ้นเหมือนกันมันรู้รสจะเอาตาไปรู้รสก็ไม่ได้จะเอาหูไปรู้รสก็ไม่ได้จะเอาจมูกไปรู้รสก็ไม่ได้จะเอากายไปรู้รสก็ไม่ได้ มันทำหน้าที่เข้ามาเล่าริ้นทำหน้าที่รู้รสใจก็รับรู้ไปอีกทีนึงกายก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งแกรงตึงไว้เจ็บปวดเมื่อเพียที่เกิดขึ้นบนร่างกายจะเอาตาไปเห็นก็นไม่ได้เอาหูไปได้ยินก็นไม่ได้เอาหูไปรู้สึกด้วยก็ไม่ได้เอาจมูกไปรู้สึกด้วยก็ไม่ได้เอาลิ้นไปรู้สึกด้วยก็ไม่ได้ เห็นการทำงานของมันแล้วมันมหาศรรมากมากแต่เราส่วนใหญ่พวกเนี่ยมันทนเห็นไม่ได้มันรู้สึกตามที่มันเป็นไม่ได้มันจะไปรู้สึกตามที่ตัวเองชอบกับไม่ชอบแทนที่จะรู้สึกตามที่มันเป็นพวกมันอย่างนั้นเน่ยเออมันเป็นพวกมันอย่างนี้เนี่ยแต่ชอบเอาความรู้สึกตัวเองไปชอบตัดสินใจ อย่างลินเปนการเวลามันมมรู้รสอันไหนอร่อยก็สารพัด ท, ที่จะสรรหามากิจสรรหาวิธีการกินหาอวัยในการกินแทนที่กินรู้ ร, รู้แล้วกว่าแล้ ว, ไ ป, ล ว, ลว ไ, ปไปอร่อยแล้วกว่าแล้วไปอร่อยแล้วกวแล้วไปก็จบจบไปตามตามสภาพที่มันแสดงเนะี่ยแคนั้นแต่นี่เป็นฝังเป็นความคิดซะอีกอยากอยากข้ามภบข้ามชาติ รู้วันนี้แต่เอาไปจากีกินพรุ่งนี้อีกจบวันนี้เอาไปต่อวันพรุ่งนี้อีก ถ, ถ้าเอาไปต่อวันนั้นบ่อยๆอา้าวอันเนี้ยที่เราเองชอบลองกินไปสิติ ด, ต, ดติดสักสองสาวันเอาอีกแล้วเบื่ออีกแล้วถ้าเราหัดรู้สึกตัวจริงๆอะกายไหวกายกระท บ, บแล้วระลึกได้ ใจมามีส่วนร่วมในการารับรูรรรร้อยู่ตรงนี้ใจมันจะหยุดทามันได้หลักแล้วจะหยุดพฤติกรรมในการไปวุ่นวายกับอายตนะขั้งหกอารมณ์ทั้งหกมันจะแสดงตัวก็้มาเต็มที่เลยปล่อยมันแสดงเต็มที่เราปักหักรู้สึกเราไปอย่างนี้ใจเวลามันมีอาการคิดนึกเหมือนกันเหมือนกันแหละ เอาตาไปรู้เอาหูไปรู้เอาจมูกเอาหูดเอากายไปรู้ก็ไม่ได้เวลามีอารมณ์คิดอารมณ์เลือดอารมณ์เบื่ออารมณ์เซ็งเรฟงาฟุ้งซานวุ่นวายสับสนไปหมดหรือชอบไม่ชอบพวเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์เฉพาะตัวมันเองทั้งหมดเนี่ยปัญหาคือเราไม่ได้หลักจับหลักความรู้สึกตัวไม่ได้ ได้ชอบเข้าไปแยกแยะแจกแจงอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างงี้อันนี้เป็นอย่างงาน้นเราคิดว่าตัวเองทําได้จัดการกับมันได้แก้ไขกับมันได้ทําไมถึงให้รู้สึกตัวอย่างเดียวทําไมถึงบอกให้รู้ฝึกรู้สึกตัวอย่างเดียว อันเนี้ยถ้าตามใจก็ตามใจเรายังไม่เข้าใจเลยเข้าถ้าไม่เข้าใจกูจัดการอะไรกับมึงไม่ได้กูเอาอะไรกับมึงไม่ได้กูทําอะไรกับมึงไม่ได้กูแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็เลือกตัวกูซกที่อยากใหแก้แก้ไขัเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แก่เจ็บตายก็แก้ไขไม่ได้ เย็นร้อนอ่อนแข็งเจ่งตึมเจ็บปวดเมื่อเพียวก็แก้แกไขมันไม่ได้อยู่ข้าวเจ็บที่เจ็บเยี่ยวก็แก้ไขมันไม่ได้ร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแหละให้มันรู้จักอย่างนี้แล้วมันจะไปแก้ไขอะไรกับการรับรู้ทางอายตนะทั้งหมดจะไปเลือกได้ยังไงไม่มีสิทธิ์เลือก อารมณนะ์เราไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เรามีสิทธิ์ที่จะยุ่งกับมันหรือไม่ยุ่งกับมันนั่นคือสิทธิทของเราถ้าเราไม่รู้สึกตัวอยู่นะไม่สนใจกายไหวกายกระทบอยู่เลยได้แต่คิดอยากจะสบายมันไม่จับหลักไม่ได้ถ้ามันจับหลักมันได้มันจะรู้จักทันทีเลยโอ้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลย ปล่อยให้มันแสดงเหมือนการแสดงละครจนจบมันจะขึ้นมาดีมันก็จบมันจะขึ้นมาไม่ดีมันก็จบมันจะขึ้นมาถูกใจเรามันก็จบขึ้นมาไม่ถูกใจเราเดี๋ยวมันก็จบเพรามันเพราะเพราะเรามีตัวตนเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ตัวตนของเราเนี่ยดูแย่มาก ไปจัดการกับมนอยู่นั่นแหละตัวตวนของเราอะไรชอบก็จะเอาไว้กลุ่มหนึ่งอะไรไม่ชอบก็จะเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งชอบไปจัดการแต่ความเป็นไปของมันมันก็เลยวุ่นเลยวุ่นเพราะมันจับหลักตัรู้สึกตัวนี้ไม่ได้ทำกันป้ายวางกันป้าย ก็ได e e ้แต uh ่ความคิดดีๆเพิ den, ่มขึ den, ้นได้แต่ความคิดรู้นั่นเห็นนี่เข้าใจรู้เพิ่มขึ้นแต่มันละอะไรได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างยังโกรธเหมือนเดิมยังรู้เหมือนเดิมยังหลงเหมือนเดิมยังอยากอยู่เหมือนเดิมมันก็ฟ้อมตัวมันอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้แรือคุณละได้ไหมสิ่งที่คุณรู้นสิ่งที่คุณรู้คุณเข้าใจอคุณเข้าใจแล้ว่ะคุณรู้แล้วล่ะถ้าคุณละมันได้หรือเปล่า ก็ไม่ได้เหมือนเดิมเลยเสิมก็เอาอีกเพราะมันไม่ได้ละมันละด้วยความคิดมันไม่ได้ละด้วยความรู้สึกไม่ได้ละด้วยระบบรู้สึกไม่ได้ละตัวรู้สึกออกมาละด้วยความคิดนะตัวความคิดยังอยู่ตัวความรู้สึกก็ยังจมอยู่กับมันเหมือนเดิมเลยยังตกเป็นธาตของรายังแสดงตามบทบาทของมันเหมือนเดิม บทบาทตามอารมณ์ของอายตนะเหมือนเดิมเวลามันแสดงมาเป็นดีใจเสียใจอะไรกนเหมือนเดิมไม่มีไม่มไมด้ลบลงไปเลยไม่ได้ลดตัวเองลงไปสักเล็กน้อยแต่คิดถ้ามันทนสภาพของ ส, สภาพความเป็นจริงไม่ได้ไม่มีทางก้าวหนะ้าไม่มีทางก้าวหนะ้า ถ้ามันทนสภาพความเป็นจริงมันไม่ได้คําว่าทนในที่นี้เนี่ยคือทนทางความรู้สึกตัวไปไม่ใช่ไปทนด้วยกำจัดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นทนคําความรู้สึกตัวไปเกิดก็เกิดไปแล้วก็ะทำของเราไปเดี๋ยวมันจะละที่ความรู้สึกมันไม่ได้ละในการคิดได้ละในการฟังได้ละในการอ่านได้ พูิ้ละไม่ได้หรอกละไม่ได้ละด้ความรู้จากจาการอ่านจากการฟังจากการคิดเนี่ยมันก็เป็นความมันก็กลั่เป็นความคิดละความคิดละเราต้องละความคิดนี่ที่ความคิดละแล้วเราก็ละไม่ได้อยู่ดีก็ติดในความคิดละนั่นแหละไม่รู้จักละควา ม, มคามิดอีกแต่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะละไม่ยุ่งเย เพราะมันไม่เกี่ยวกับความคิดอยู่กับกายไหวกายกระทบเนี่ยการกายที่มันเคลื่อนไหวที่มันกระทบแต่ละขณะแต่ละขนาแต่ละขนาดที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยหัดรู้ตรงเนี้หัดรู้ที่กําลังเกิดขึ้นเดี๋ยวเนี้ยอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หัดมีความรู้สึกตัวด้วยการรู้การการไหวกายกระทบเนี่ย แค่นี้แหละความรู้สึกตัวความรู้สึกก็จะละออกจากสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งนั้นจะหายหรือไม่หายนั่นมันเป็นเรื่องของมันมันเป็นเป็นตามเหตุบางอย่างเกิดช้าหายเร็วบางอย่างเกิดช้าหายช้าบางอย่างเกิดเร็วหายเร็วบางอย่างเกิดเร็วหายช้านี่คือธรรมชาติของมัน ทางอายตนะอารมณ์ทั้งหกรูปเสียงเปลี่ยนรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ความนึกคิดน่ยบางอย่างเกิดเร็วหายเร็วบางอย่างเกิดเร็วหายช้าเพราะมันมีอายุเข้ามารูปเสียงกปลี่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์นึกคิดเน่ยบางอย่างเกิดช้าหายเร็วบางอย่างเกิดช้าก็หายช้า เห็นการหายก็มันเองมันสิอย่าไปเห็นการหายจากการจัดการมันถ้าเห็นถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดการให้มันหายไปได้นั่นแหละตัวตนอย่างมหาศาลกําลังบทบางอนัตตาแล้วเราจะปฏิบัติกับดื้อตลอดไม่ใช่ปฏิ บ, บัติยิ่งปฏิบัติยิ่งสบายหล่ะและ้วไยิ่งปฏิบัติยิ่งเปนภาระเพราะต้องคอยจัดการอยู่นั่นแหละให้มันหาย คุณจัดการก็หายไม่จัดการก็หายแล้วไม่จัดการมันดีกว่าให้มันหายกองมันเองโดยเราไม่ยุ่งเกี่ยวหันมาทําความรู้สึกตัวหันมาอยู่กับกายกายไหวกายกระทบเนี่ยเรรู้สึกไปภาวะของความสติที่ระลึกตรงนี้ได้ภาวะของความรู้สึกเยวก็เกิดขึ้นก็อยู่เฉยๆแล้วก็ดูมันไปรู้สึกแล้วก็เห็นมันไป เ ป, เป็นดับดับดับดับเป็นเป็นเกิดเกิดหายหายหายหาเป็นเป็นทุกตลอดเวลาไม่จะรู้จักโอ้ยทำไมมันทุกตลอดเวลาพอมารู้จักว่าทุกตลอดเวลานใจทีงมันเองที่มันเคยหลงเคยอะไรจะเลิกที่มัออนไม่ค่อยอดทนนไม่เค่อยอดทนกันไม่อดทนที่จะทําสิ่ง น, นี้ ควบคู่กับสิ่งที่มันเกิดไม่แค่คนไปวัดไอ้ที่ชอบใจกับไหลไปไอ้ที่ไม่ชอบใจก็ไลไปอีกแทนที่จะเอ้ามันชอบใจกูก็ทําไปนี่แหละไม่ชอบใจก็กะทาไปนี่แหละเบื่อเบืเซ็งเก็งก็กะทำไปนี่แหละสนุกสนานก็กะทาไปนี่แหละละที่ความรู้สึก ละความรู้สึกออกจากอารมณ์เนี่ยละที่ความรู้สึกอย่าเป็นละอารมณ์มันละที่ความรู้สึกละความรู้สึกที่ไปร่วมกับอารมณ์เนี่ยให้ความรู้สึกเนี่ยมารู้สึกตัวซัอารมณ์จะหายไม่หายมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันนะมันเกี่ยวกับระบบของทุกขังอนิจจานิพพาตาเขาทางานเกี่ยวกับระบบ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทํางานยิ่งทํายิ่งฉลาดแต่ฉลาดแบบฉลาดแบบแบบทางลบน่ยไม่ใช่ลฉลาดแบบทางบวกยิ่งทํายิ่งฉลาดฉลาดในทางลบในทางล บ, ใ น, งลบในทางเลี่ยงในทาง มันฉลาดแบบนั้นมันไม่ฉลาดในทางสู้ในทางละในทางเลิกในทางปลดในทางโปรงในทางไขถอนมันไม่ฉลาดแบบนั้นมันฉลาดอีกทางนึงมันฉลาดในทางอกุศนไม่ฉลาดในทางกุศลมันไม่ฉลาดในทางดีไม่ฉลาดในทางชั่วงยิ่งทําไปก็ยิ่งแย่ถ้าเราทําให้มันเฉยๆจริงๆนะ ถ้าจิตมันมารวมอยู่แบบตรงนี้จริงๆเนะี่ยเธอก็อีกแล้วแหละหลงมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ยุ่งมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้จนติดเป็นนิสัยจนติดเป็นสั์ความเคยชินจนติดเป็นสันดาในในตัวเราแนละ้วเห็นปุ๊บแล้วมันอดไม่ได้เห็นปุ๊บแล้วอาสวะกิเลสกิเลสเครื่องดองเครื่งหมักดองอยู่ในใจมันทำงานทันทีเลยเห็นปุ๊บแล้ว ดิ้งวันหนึ่งไปเดินที่อาสมภัยมาล๊อกดุันเดินไปเดินไปต่ทีนี่มันมันคันมันคันเกิดขึ้นอยู่นะมันคันมาแล้วมันจะบินมาชนตาแบบเดินไปไหนมันคันที่เราก็เอามือประสานไว้ข้างหลัง ภาษานี้ไม่ต้องอหูเห็นมันเห็นมันจากเกาอหูใจมันสั่นมือมันสั่นขามันกัดเกี้ยวเกี่ยวฟันอย่างเงยมันจะกเกาแล้วแบบทั้งชื้ยยงเราไปมันก็จะเกาบางทีพึ่งมาตออยเี้ยมันมบกัดสิ่งจะตุกมันตายบีมันละลายเึ็น แล้วก็เอาโมประสานรนะเฉอๆไม่ไปไปแก้ไขมันดูมันดูมันเดินแถ้าขัดมันรู้สึกตัวที่ขวดเท้าที่แล้วก้าวที่ละวก้าวที่แล้วก้าวเห็นมันมันทรมาลรกดมาเทรมาร์ดร้อมไปทั้งกายทั้งใจแต่เราก็ไม่ทามันมีกําลังในการที่จะรู้สึกตัวอยู่เอามันเกิดก็เกิดไป แค่คันบนผิวหนังเนี่ยนะแต่ใจนี่มันคันยิ่งกว่าหลายเท่าเลยมันคันอยากจะเกาอยากจะไล่ตกไล่ตีไล่มี่นี่หมดทำปั๊บอดทนเอาพอ ท, ท, ท, ทนทนทนทําไปปุ๊บ ก, กาลังแลความรู้สึกตัวทีอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองนี่หว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ตรงนี้เองนี่ว่าออเ อ, อ, เอ้า พอใจพอทนไป็นสภาพหนึ่งพอใจมันเลิกเลิกเข้าไปยุ่งไอ้คันยังก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไอ้ความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่มันทิ้งรนทุรนทรายจะเป็นจะตายให้ได้มันหายไปไหนไม่รู้มันเหลือแต่ว่าคันแต่ร่างกายคันมันธรรมดาธรรมดาเกาก็ได้ไม่เกาก็ได้อ่าไอ้นี่มันเป็นยังไง มันกายมันเป็นจต่ใจมันเป็นกลายเป็นนิดเดียวจิใจมันไปสักมากมายมหาศาลโอ้มันเป็นอย่างนี้เองคนมั น, มนทนอารมณ์ไม่ได้มันไม่เคยทนอารมณ์ถ้ามันฟืนทนไปนะอะมันเป็นแค่กายใจไม่ได้เป็นด้วยใจก็เลยสบายอยู่กับความรู้สึกตัวต่อไปถ้าถึงแต่นั้นมาอะไรเกิดขึ้นฉัน พึ ừ, này. Ồ, ่งมากัดเนี่ยโอ้เชยลองดูเฉยมัฝึกมันถ้ามันยังอยากอยู่ก็ไม่ท้ามันไม่ตายจังหวักท้ามันไม่ตายมันไม่ตายยังไรว่าแม้แต่ตายก็ยังต้องยอมรับมันแบบนี้อย่าไปว่ามันไม่ตายตายก็ต้องยอมรับมันเวลามันตายจริงๆจะดิ้นรนแค่ไหนก็ดิ้นรนไม่รอด จะเจ็บขนาดไหนก็ต้องต้องนอนจมยอมรับกับมันแล้วเราฝึกมันดีๆนะเอา้าเป็นก็เป็นไปสิ่ฝึกแยกความรู้สึกออกมาเฉยๆพอรู้สึกตัวซะแล้วเวลารู้สึกตัวก็ไม่ได้ไปรู้สึกตัวเพื่อเอาชนะอะไรแต่นั้นแหละรู้แค่กายถัดรู้กายไหวกายกระทบแค่นั้นแหละเยาะไปเหยียบไ ป, บไ ป, บไปเดี๋ยวมันออกมาดูเฉยๆมันเอง ออกมาดูเฉยๆแล้วมันเองแต่รู้เฉยๆไม่ใช่บาสิ่งนั้นมันจัดหายนะมันก็เป็นมันเหมือนเดิมเนี่ยยังไม่ถึงเวลาหายบอกแล้วบางอย่างเกิดเร็วหายช้าบางอย่างเกิดช้าหายเร็วบางอย่างเกิดเร็วก็หายเร็วบางอย่างเกิดช้าก็หายช้าเห็นถ้าเรารู้สึกตัวเราไปเฉยๆแล้วปล่อย มันวางกายวางใจวางกายวางอารมณ์ได้แล้วก็ทามันไปเฉยๆแต่ว่าอารมณ์นันก็จะอยู่ข่งมันแล้วมันจะเห็นแล้วว่ามันคนละชั้นกันมันคนละชั้นกันเลยแต่ถ้ายังไปเชื่อแก้ไขจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันอยู่นั่นแหละมันยังยังไม่ได้ไม่เห็นการลอยตัวของใจที่ลอยตัวเหนืออารมณ์เป็นมันไม่เคยเห็นครับแต่ถ้ามันทำหัดทำมันไป ใช่เวลาเราทาไปมันปวดปดไม่เมื่อยกันเดินไปแบบปวดปวดไม่เมื่อยกันไหะเกินไปมันง่วงกันอ้ามันแบบมง่วงกันแหละถ้ามันนี้ง่วงเลยถ้าผมง่วงเนี่ยคแก้ไขเปลี่ยนท่าผิดบอสถ้าเราง่วงมาหรือผมน่าก็มันมันก็พอจะหลับอ่ะอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนท่าใหม่พุบเข่าขึ้นยืนเข่าขึ้นอย่างนี้ เป็นไงผิดไหมผิดไหมเราไปแก้มันผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้แก้ไขแบบไม่ผิดก็ได้แก้ไขแบบผิดก็ได้แก้ไขแบบไม่ผิดแก้ไขแบบผิดก่อนคือแก้ไขแบบอยากให้มันหายนั่นคือขับขับเพื่อเบื่อมันเส้นอยากให้มันหายไปหาวิธีอื่นแก้ไข หาดนามลังหน่ะแปลงปังเปลี่ยนท่าท า, ทางต่างๆแต่อยากให้มันหายอ น, นี้ผิดแต่แก้ไขแบบไม่ผิดคือหายก็ได้ไไดไเป่ยายก็ได้แข้ก็เปลี่ยนขอฉันไปแข้ก็จับความรู้สึกคองฉันต่อแข้ก็สนใจการเคลื่อนไหวของฉันต่อ่า ต, ตอนนี้มันง่วงมันอยากนั่งนิ่งๆนะ่ะอาขยับ ต, บตัวเล่นๆปวดก็กันขยับตัวเล่นๆสนใจ สนใจการกายไหวกายไหวกายกระทบไปเอ็มจะหายาเรื่องพวกมันไม่หายาเรื่องพวกมันไม่จะไปอึดอัดขัดเคืองอันนี้ยแก้ไขเันนี้ถูกตัวนี้เป็นตัวอย่างตัวอื่นๆเหมือนกันหมดเลยหรือบางครั้งเราไม่แน่ใจแล้วก็ทนเล่นๆลงไปแบบเหมือนผมทนเรื่องคันเน่ยผมลองทนดูมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงทนเล่นๆกับมันนั้นแหละ ทนดูพฤติกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพอเราทนดูพฤติกรรมมันเมื่อก่อนเราคันปุ๊เราเกาปั๊บอนนี้เราทนดูเลื่นยเรน่อยแล้วมันลนะทนดูเลื่อยเอ้าวพอใจมันหายจากการดิ่งรนรนโจรแล้วก็ไปเกนะ่ไหมอันเนี้ถูกแต่ไม่รู้ว่าเพราะมันคันปุก็รีบแต่เอาทันทีรีบเกาทันทีอันนี้ผิด เพราะมันไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฉะนั้นการแกนะ้ถูกก็ได้ผิดก็ได้ไม่ถูกไม่ผิดก็ได้ทุกเรื่องยันหัดดีๆแล้วกันถ้ามันจะถูกจริงๆเนี่ยคือมันอยู่ในหลักไม่ลืมหลักไม่หลงหลักไม่ทิ้งหลักไม่ทุก ถ้ามันลืมหลักหลงหลักทิพหลักแก้เท่าไหร่ผิดหมดนะแก้เพื่อสนองความอยากเจ้าของแต่มันผิดหมดแหละอย่างเงี้ยบางทีเร้ตั้งสร้างจังหวะไปมันวง่นะก็เปลี่ยนท่าเดี๋ยวบางทีก็ตั้งใจเอา้ามึงจบท่านี้แหละมันไม่สนละเลือกท่าที่มันมันม่นคงคงเหมาะเหมาะน่อยเช่นท่ายืนเนี่ยตีสร้างจังหวไปเนียเาละเลือกท่านี้แหละ มึงไม่เลือดม่วกูกูไม่เลือเลือกข้าวที่มองหาะแล้วแบยืนสู้กับมันอย่างนั้นเลยไม่ใช่ป่ะอ้าวเลือกข้าวมองเหาะได้เก้าอี้ดีดีพินดีดีแล้วก็สร้างจังหวะแล้วก็หลับตาเครือบเคพลองเพื่อจะสู้กับมันก็ไปกับมันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเลือกข้าวมองเหาะแล้วก็สู้สิอ้าวม่วงใช่ไหมก็เลือกข้าวมองหาะเดินไปเลยแบบม่วงกันเลยเดินไปเดินมาเดินไปแล้วก็แจกเองมันนี่เรียกว่า ถ้าจะแก้ก็เลือกท่าที่เบาๆหน่อยถ้าจะสู้ก็เลือกเป็นมวยก็รู้จักรู้จักเชิงห่อ ย, ยอย่าไม่ไป่ส่ตรงๆแลยวอาจารย์ไม่ต้องนำอะไรมาพิจารณาเรื่องนี้ไม่ทังสุขทงอเนกตารู้สึกอย่างเดียว<โ>ตรงๆถ้า น, นั่งไปนี่มันเวทนานะนี่มันนั่นแหละที่เอานั่งด ม, มันด้องก็ดับไปนั่นแหละอยาเอามันรู้อยู่นี่มันก็เห็นเข้า ม, มาอยู่อย่างนี้ย ทำไมมันจะไม่เห็นรู้สึกตัวอยู่นี่ไงกายไหวใจรู้หยูกระทบอยู่รู้กระทบทำไมทําไมมันจะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เห็นอ้าวง่วงขึ้นมาเมื่อกี้มันหนักไปแล้วอ้าวนี่มันหายไปแล้วนี่ไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่คิดเออเมื่อกี้มันง่วงนะเมื่อกี้มันหายมันหายไปแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นไปเอาอดีตมันมันหลอกเอาอดีตกำเราเรา จำดีๆว่าเรากําลังจะใช้สภาวะทางปัจจุบันในการพิจารณาตัวนี้อแต่ทีเขาเอามาคิดหน่ยถ้เาเอาสภาวะทางในอดีตและอนาคตมาคิดพิจารณาของมันแต่พวกเราไม่ใช่พวกเรามันเอาตาต่อตาฟันต่อฟันหน้าต่อหน้าเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทันทีเลยไอ้นั่นมันไปดึงเอาอดีตเข้ามาอนาคตออกมา เช่นตาม่วงหายไปแล้วเมื่อกี้มันง่วงนะแต่มันทนไม่ได้นะมันตั้งอยู่หน้าต่อกไปนะเป็นอย่างเนี้ยวันนี้มันพระใช่ไหมครับยละอีกการพิจารณาอัิที่จังทุกขังอนัตตามันเอาต่อกขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยอันที่จังทุกขังอนัตตาอยู่ตรงไหนเสียงกระครับเมื่อกี้เนี่ย ก็มันอขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับชั่ววับเดียวของมันอ่ะเร็วกว่ากรพรตาบางคนไปเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาคิดเอากข้าไปเถอะมันไปไล่จับเงาของมันก็ได้แต่เงามันนั่นแหละพิจารณากข้าไปเถอะเอาแต่เงาเรนั่นแหละแต่ใจมันน่ะถ้าใจมันขอนออกมาปั๊บมันก็เห็นของมันปัจจุบันเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเครื่องดังตุบตักตุบตักอยู่ อนิจจังทุกขังอนัตตายกขึ้นรู้ไปดับไปนี่กระเจงทุกขังอนัตตาอนัตตานี่แหละสําคัญถ้าเราเข้าไปจัดการมันเป็นอัตตาหมดเลยฉันจะเข้าไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือตัวอัตตาที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉันเข้าไปทําฉันเข้าไปทําฉันเข้าไปรู้ฉันเข้าไปเห็นฉันเข้าไปเป็นฉันเข้าไปละไอ้พวกฉันนี่แหละ จุงม่นจะหันมาฉันเอาหันมาฉันมาเฉือนเรารู้สึกตัวเนี่ยกล้ไหวใจรู้เนี่ยมันเป็นตัวทั้งหมดแหละที่มันจะเห็นสภาพปัจจุบันขนาดอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วสภาวะธรรมทั้งหลายเร็วกว่ากระพริบตาเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเร็วกว่าความคิด ฉะนรู้ตัวเดียวเนี่ยจับหลักเนี้ยอ่ะฉะนั้นเวลามันมั่ป่าหาท่าที่มันเหมาะเหมาะในการสู้หน่อยเอาเอ า, เอามาแล้เดี๋ยวกูจะเดินอเงี้ยให้มันหลับดูทิมันจะหลับแบบไหนอย่างเงี้ยเอาเดินไปเอามาแล้วกูจะยืนสร้างจังหวะลูกศรเอามันจะหลับแบบไหนมันจะยืดอย่าเงี่ยให้มันล้มลงไปต้นหน้าต้นหน้ยืดอย่างเงี้ยหาท่าเหมาะเหมาะน่ยในการสู้กับมัน เรารูสกว่ากำลังเาจะอ่อนอยู่แต่ว่าให้เคลื่อนไหวไว้อย่าไปนั่งนี่อๆฉันจะนั่าดูมันหลับเซ็ตเลยไม่เหลือไม่เหลื อ, ลอกำลังไม่พอเดี๋ยวกวบนะนั่นหัดจำหลักดีๆทั้งหมดที่พูดไม่ได้เกิดให้เรียนรู้เรื่องที่เราเกิดขึ้นที่เป็น ยันหลักที่นี้แล้วก็ให้คนกับสบภาพที่เวลาเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ให้เป็นนั้นจะแก้ก็ได้แก้ที่ถูกเป็นยังไงแก้ที่ผิดเป็นยังไงถ้ามันยังมีความรู้สึกตัวนี้งกายไหวใจกระทบตัวนี้ยคือตัวหลักแท้ๆมันจะทําให้จิตหลุดความรู้สึกเราเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เข้าไปร่วมอารมณ์เนี่ยมันจะหลุดออกมาจากอารมณ์ของมันเป็น ตรงจุดนี้คือจุดสัมพันธ์ที่ความรู้สึกสามารถหลุดออกมาจากอารมณ์ทั้งหกได้เป็นนี่นหนแหละเขาเรียกว่าตัวนี้ตัวทําให้เราค้นค้นจับกองทุกข์ทั้งหกเรื่องรูปเสียงจลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความทุกข์นี้ไม่ได้หายไปไหนเขาเพ็ อ, อยู่เป็นความทุกข์ของเขาอย่างนั้นแหละแต่ความรู้สึกเราหลุดออกมาและอีกตัวที่เราตรงไปทำความรู้สึกตัวเลยเ มันเป็นฝึกความรู้สึกให้หลุดเนี่ยมันตรงไปสสู่การฝึกความรู้สึกให้หลุดพ้นหลุดพ้นที่ความรู้สึกไม่ใช่หลุดพ้นที่อารมณ์มันคนละหลุดกันหลุดพ้นที่ความรู้สึกที่เราฝึกกายไว้กายกระทบแล้วรู้สึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งความรู้สึกเราจะหลุดออกมาแล้วเราก็ติดต่ออี ก, กันและนะ อ่ากลับพระเข้ากัน